คนอื่นดีคนอื่นชั่วนะคนอื่นทาให้เราเสียใจนะคนอื่นทาให้เราไม่พอใจนะรู้จักแต่ข้างนอกแต่เราไม่มีโอกาสได้กลับเข้ามารู้จักข้างในเลยเขาพอเข้ามาเข้ามารู้จักตัวเองก็มีแต่ความโกรธนะความอาฆาตความพยาบาทความเกลียดความชังความรัก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 กลับมาก็ทุกข์เหมือนเดิมเอ๊ะถ้าจะแก้อย่างไรนะเราทุกข์ขนาดนี้แก้ขนาดนี้ก็ยังยังยังทุกข์อยู่ยังทุกข์มากอยู่อาตมาก็เลยสุดท้ายนะสุดท้ายก็เลยคิดว่าคงจะมีหนทางอยู่หรอกถ้าเราออกมาทางนี้นะอาตมาก็ได้เข้ามาบวช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 มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับพวกนี้แต่ตมนี่จะเป็นคนที่ง่วงมากง่วงแล้วก็คิดนะเพราะว่าอดีตมันมากนะอดีตมันมากอดีต ก, ก่อนๆเนี่ยมันมันมากเราสะสมไม่มากมันไม่เคยสะสารเลยมีแต่สะสมอย่างเดียวนะมันพรอมมากเข้ามากเข้ามันมันก็เต็มที่ปฏิบัติพอยกมือนี่กับความคิดทิ่กับวิ่งชนเลยยกมือความคิดก็วิ่งชนเลยโอ้โหตาย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 มันไปอยู่กับความม่วงมันงไปอยู่ความคิดมั่งนะไปอยู่กับความปวดขาเนี่ยแต่อัตมาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่งนั่งไม่เปลี่ยนเอามันจะปวดดูว่าตัวไหนมันจะแรงมากกว่ากาันนั่งไปนักมาจิตมันทุกข์มากเลยตรงเนี้ยจิตทุกข์มากพอทุกข์มากอัตมายมก็คงจะเคยเห็นหลวงพ่อเทียนที่ท่านพาชาวสิงคโปร์เนะี่ยเดินรอบที่ ท, ที่ในห้องอะ่ะหาทางออกอะ่ะมันจะหาทางออกอะ่ะจิตมันหาทางออก ทั้งๆที่มันมีทางออกแต่มันออกไม่ถูกเนี่ยความรู้สึกตัวเรายกมืออยู่เนี่ยเอมันไปอยู่กับสามตัวนั่นน่ะเราก็นั่งยกมือไปมันก็ยิ่งทุกข์มากเข้ามากเข้าพอทุกสุดถึงที่สุดของมันแล้วน่ะโดยท้ามันจะถึงที่สุดละมันก็เลยออกมันมันารู้สึกจุดที่มือปุ๊บพอยกมือขึ้นกระแคงขึ้นความลงโอ้โหนะตอนนี้แหละนะความคิดหลุดออกไปก่อนความคิดความง่วงหลุดออกไป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 <Birmingham. S 2> อ่าพอรู้ปุ๊บมันก็ผ่านไปคิดมารู้ปุ๊บมันก็ผ่านไปนี่ยพอผ่านไปนะแต่บางทีเนี่ยเราคิดว่ามันอ่าความคิดเนี่ยมันจะเราจะไปคอ ย, คอยจ้องจับความคิดพอเรารู้ความคิดแล้วโ อ, มมอ้มันมาอย่างนี้มันมางี้มาองนี้แต่ว่ามันไปรู้แท่ใจเรานึกคิดเฉยๆนะใจเรานึกคิดเนี่ยเราจะไปดูตรงนั้นเขาเรียกว่านามารูปเราจะไปดูตรงนั้นแต่ว่ารูปที่มากระทบข้างนอกเนี่ย เราไม่ทันเขาอีกพอตาเห็นรูปปุ๊บไปแล้วใครมามากี่คนไปอีกแล้วออกไปอีกแล้วนั่งยกมือก็ไม่รู้สึกอีกนะมันก็ไปตามเข้าไปตามเข้าไปอ่าพอหูนะออกท้างหูก็พอหูได้ยินปุ๊บนะเสียงมากระทบหูนะพอมากระทบปุ๊บอารูปนะมากระทบอา้าวนั่งยกมือไปก็ฟังนี่พขาคุยอะไรกันเขาพูดอะไรกันก็เหมือนการพูดเหมือนกัน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 แต่เราก็อยู่เขาได้ะเพราะว่าเราเราก็รู้ว่าเราจะทํายังไงกับตัวตัวเราเองเนี่ยอเขาก็เป็นครูสอนเรานะก็ดีที่มีครูสอนเราธรรมะเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะจะต้องมาให้ครูบาอาจารย์สอนบอกเรานะพวกเรานี่แหละเป็นครูของทุกคนได้เลยนะญาติโยมก็เป็นเป็นครูสอนได้เป็นอาจารย์ได้เนรน้อยก็เป็นอาจารย์สอนได้นะะ สอนได้ถ้าเรารู้รู้จักนะเขาทำให้เรากโกรธพุ่มเนี่ยเออเนี่ยอาจารย์สอนเรานะเขาทำให้เราเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเราเขาไม่ him, ทาให้เราโกรธเราก็จะไม่เห็นความโกรธของเราว่ามันยังมีรหรือหรือไม่มีมันเหลือน้อยเหลือมากเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้นะนะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอาตมาว่าอันนี้สงนี่ไม่รู้จะเอาอะไรมามาม า, มาเทียบได้นะอาตมาว่า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 ทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจงถึงสี่โมงครึ่งก็เลิกพ้าผ้าเลิกนะถ้าจะถ้ า, ถ, าถ้าประจำวันทาประจาวันก็ตั้งแต่นะนะถาเที่ยงไปนะช่วงเช้าก็ประมาณสองชั่วโมงนะก็ทำอืนี้แหละนะก็ให้กำลังใจนะสำหรับญาติโยมก็นั่งง่วงแล้วมั้งเนี่ยเนาะง่วงแล้วนเนาะนนนจะได้เดินมั้งหรือเปล่าจะนั่งอีกสักพักหนึ่งก่อนเนาะ